نبت ا شتى <تصفيق> كلو ا ورع و ا أنعمكم ا إن في ذلك لآيات لئالن มิหนาลักนักุมว่าหนาน ي د ดุคุม وَمِنْهَا ن ُ خرج ุคุมตา ة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้ อัลลอ์ต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยคิดคิดถึงตัวเราเองเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเราเนี่เป็นสัตว์นะแต่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเพราะมีปัญญามีสมองมีสติปัญญาเท่านั้นเองถ้าหากอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นนกเนี่ยนึกภาพไป น, นอนที่ไหนกันคืนนอนอยู่บนต้นไม้ได้กินไ้กิง ตายใบไม้จะทรมานขนาดไหนมันก็เป็นนกมันค็ไม่รู้เลนะที่พอเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เปรียบเทียบประสิทธ์ถูกสร้างต่า ง, างๆเนี่เราประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วงเรานะเป็นห่วงมนุษย์พอสร้างมนุษย์มาแล้วมันได้ปล่อยให้มนุษย์เนี่ยคิดเองให้นบีมามาสอนแล้วก็ยังให้ทางนํามาอีกโดยเราไม่รู้ตัวเรา เนี่ยไอ้ความคิดอย่าแต่มายัดคิดว่าอะไรฮารอมอะไรฮารานนี่นะถ้าเรียนด้วยนะอโลจะมนุษย์จะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุด น, นี่ขนาดไม่ได้เรียนเยอะนะยังรู้ว่าอะไรฮารอมอะไรฮารานใช่ไหมอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยอโลให้มนุษย์รู้นะเรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างแต่ถ้าหากว่าตั้งใจเรียนกุณอ่านอย่างเดียวนี่นะจะได้ความรู้เยอะไปหมดเลย เช้าเช้าเนี่ยต้องอ่านดูอานะเช้าเต้องอ่านดูอาดูอาบทแรกที่มุสลิมทุกคนต้องอ่านก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮียานาบะอัตมะอามะตานาไวไลฮินูชูรที่นบีสั่งให้อ่านเพราะนบีต้องการจะเตือนให้มนุษย์คิดถึงอัลลอฮ์เตือนให้มนุษย์คิดถึงอัลลอฮ์แล้วก็ยังมีความดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไซต้อ น, นี่เนี่ยผูกปม รู้ได้ยังไงว่าชายตอนผูกปมเนี่อลัลลอ์เล่าให้ฟังเผยความลับเผยความลับผ่านนาบีให้นบีมาบอกมนุษย์ว่ารู้ไหมอลัลลอ์เนี่ยให้ชายตอนมาผูกปมมนุษย์ทุกคนสามปมด้วยกันและปมนี้นะ่หากว่าเราไม่แก้นะคนคนนั้นเนี่ยจะถูกชายตอนคุมทั้งวันเลย พะคุมทั้งวันแล้วถามว่าอยู่ใกล้ชิดกับชายตอนอยู่ใกล้ชิดกับมะลาอิกานะ้าเนี่ยอันไหนดีกว่ากันอยู่ใกล้ชิดกับมะลาอิก้าดีกว่าอยู่ใกล้ชิดกับชายตอนเนี่ยไม่ดีเพราะชยตอนเนี่ยมันจะคิดจะสั่งในทางใ น, นของที่เป็นอันตรายกับตัวเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปมก็มีอยู่สามปมหนึ่งปมแรกจะถูกแก้ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور นี่อัลลอ์เล่าเองนบีเล่าเองว่าปมแรกถูกแก้แล้วและปมที่สองที่สามแก้ตอนไหนปมที่สองแก้โดยการอาบน้ำน้ำอาดปมที่สามถูกแก้ตอนมาเข้ายืนที่เสือน้ำอาตเนี่ยอัลลอฮอักร สมปมถึงจะถูกแก้สังเกตนะแก้โดยนางของอัลลอฮฺหมดเลยแก้โดยอามันตุซซาแล้วหมดเลยนะอ่านดูอ่บนที่นอนดีไหมดีมาอาบน้ํามัสการแปลงฟานดีไหมดีแล้วก็สังเนี่ยสังเนี่ยข้ <c oughs> อใช้ตอนเนี่ยมันอะไรนะมันพักมันนอนอยู่ที่นโค้งโพงจมูกนี่ อ, อ, อ, อะไรฟีค่อยค่อยคอยชุ่มแปว่า โพรงโพรงจมูกเนี่ยที่ชะตอ น, นอนอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเราไม่อ่านทาริสเนี่ยเราก็ไม่รู้พออ่านทาริสอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนะก็ทํงานแล้วก็ต้องไล่มันออกอมือเอา ม, มือซ้ายยามือขวานะฟังนี้ยรู้แหละใจมันก็ น, นึกอตอ น, นิชะตอนออกแล้วมึงเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ใครสอนเราอัลลอฮ์ Allah สอนผ่านใครผ่านนาบีต้องการจะเล่า ว, ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเผยความลับให้เราฟังแล้ว ถ้าเราไม่เรียนาศาสนาจะรู้ไหมไม่มีโอกาสได้รู้เลยขอบคุณอัลลอฮสุบฮ า, านาบูบะตาดะปัจจุนี้ผลบุญของคนที่เดินมานมาัสสุกที่แล้วก็วแนะนำไปบ้างเล็กน้อยรู้เปล่าในวันเกียรมานี่นะในทุ่งมาชัดนะ่อรเข้านารกนะหรือายก่อนไปสวรรค์เนี่ยในทุ่งมาชัดนาะมืด มืดแล้วก็ไม่ใช่มืดธรรมดามืดจริงๆมืดขนาดที่ขยับขาไม่ได้แต่ที่คนที่จะเดินได้ก็คือคนต้องมีรัศมีถามว่ารัศมีที่จะเอาไปใช้กันในทุ่งมัสยิดนะ่ะมันต้องหาตั้งแต่เมื่อไหร่มันต้องหาตั้งแต่วันนี้ฉะนั้นรัศมีนี่หาได้ที่ไหนลนะ่ะหาได้จากการเดินมามาสัสยิดในเวลาไหนในเวลา ค่ำคืนในเวลามืดมืดก็มีอยู่3เวลา 1. มักริบ 2. อิชา 3. ซุบฮัดดิษนะบียสอนอย่างนี้บัชชิริลมัชชาอีนมัชชาแปลว่าผู้ที่เดินจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่เดินอิลฟิซูลามีในที่มืดมืดอิลล์มาัดจิตไปมัสยิดของอัลลอฮ บินนู่ริดตามเขาจะได้รัศมีที่สมบูรณ์เย้ยามันกตียมะในวันเตียมะนู่นเพิ่งเอาไปใช้ในโลก อ, อ, อาคีรอนนู่นเองรัศมีที่เราเดินมามัสยิดเนี่ยเพิ่งถุงนําเอาไปใช้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเยือยอยู่ยทุ่งมาชัดนู่นเห็นเนี่ยฉะนั้นนบีนะพูดสอนเสมอนะใครที่อีมานตอนหลอนเลยอีมานตอโลกอาคีรอน คือมันผูกพันกันหมดเราเป็นคนสองโลกนะโลกดุนยาโลกอาเซระยังมีอันโลกหลังอัลังบันซักอีกคะท่า น, นชีวิตของมุสลิมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดและเป็นถ้าหากชีวิตนั้นได้เอาสุนนะของท่านนาบีมามาปฏิบัติมาใชา้อัลฮัมดุลิลละนะเอาทลองว่าประโยชน์ผลละบุญ น, นะครับในการทำความดีเนี่ยรออัลัมีเยอะมากนะ ถ้าเราเรียนแล้วก็รู้จําไม่หมดนี่นะรอจะมีแพลงมีแรงทําความดีและอีกเรื่องหนึง่งทุกเดินเนี่ยที่ก้าวออกมาจากบ้านแล้วก็เดินมาเนี่ยก้าวหนึง่งลดความชั่วอีกก้าวหนึง่งเพิ่มความดีนี่ดูอาอ่านอีกออกจากบ้านอ่านดูอาเข้ามัส j ิ d อ่านดูอาเข้าเท้าขวาออกเท้าซ้ายนี่เป็นอะไรเรื่องดีทั้งหมดและมีบรารักัดด้วยชีวิตเขา ม, มีบรารักัด ถาว่าบารากาเนี่ยมาจากไหนไม่จะ ช, ชั้นฟ้านะ่ะเราตาลาตอบแทนให้คนนั้นน่ะมีบรารกาเพราะคนคนเนี้ยจะปฏิบัติอะไรก็ตามอัลลอ์พอใจพออัลลอ์พอใจก็คือคนที่จะอัลลอ์จะพอใจในงานที่เราทำอย่าลืมนะหนึ่งงานนั้นต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์สองทำแล้วต้องนึกถึงสุนนะของท่านนาบี อย่างนบีสอนว่าฉันเข้ามัสยิดฉันเอาเท้าขวาเข้าเราก็เข้าตามที่ท่านนบีสอนเนี่ยทุกอิริยาบทเนี่ยถามนบีเดินเหมือนเรามันก็เหมือนเรานี่แหละกินอาหารก็เหมือนเรานอนก็เหมือนเราเข้าสุราก็เหมือนเราเราเหมือนนบีมันจนบีเหมือนเราแต่นั้นเดินตามสุนัขนบีแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อทําให้ตัวเรามีบารัคะหะอัลฮัมดุลิลละเอา วันนี้เรามาดูกุรนะอ่านนะทีนี้ก่อนที่เราจะมาถึงกุณอ่านยะานนี้นี่นะนพี่น้องเราอ่านกุรอ่านค่อยๆดูอยู่นะต้องการทจะอธิบายครั้งที่แล้วไม่อยู่กลับไปไหนไปนู่นนะหาดใหญ่รับงานท่านว่ากันมัสยิดอัลอุสมาบินอัฟฟานที่หาดใหญ่ที่ผมรับนะชื่อมันสวยมัสยิด อุสมานบินอฟัฟฟานโลรับเลยทราบข่าวว่าเป็นมัสยิดที่เขาอาหรับสร้างให้มาหลังไม่โตดังเล็กๆนะนะแต่ชื่อเนี่ยท่านอุสมานบินอฟัฟฟานเป็นขอสฮาบะเป็นคอลีฟะคนที่สามอัลฮัมดุลิละคนเยอะนั่งฟังกันาศาสนาอัลฮัมดุลิละดีหมดมาดีหมดครับเ่น้องเอามาดูครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยผม มีหะดีสบทหนึ่งของท่านนาบีว่าท่านนาบีเนี่ยไม่ชอบสิ่งสามประการไม่ชอบเลยนะแล้วก็นบีไม่เอาด้วยหนึง่งอัลมีร้อนั่งทะเลาะกันนั่งเถียงกันเนี่ยนบีไม่เอาทําได้ไหมได้แต่ท้ามานาบีไม่ทนะําน้าข้างบนสังนะ่งและถือว่าเป็นมารยาทด้วยเป็นอัคราของท่านนาบีที่ดีที่สุดเนี่ยพี่น้อง ได้เรื่องนี้ไปเรื่องหนึ่งแล้วก็เราจําไม่ดีนะเราจะไม่ทะเลาะ ก, กับคนหนึ่งไม่ทะเลาะ ก, กับเมียเราอะไรเอามาต้องเอากระใครหรอกนะนั่งเถียงในบ้านเราจะไม่มีท่านี้คนที่ภรรยาตายกนสบายไป ม, มาต้องเถียงกับใครใช่ไหมอ๋อถ้าคุยเรื่องศาสนานี่ยดาแต่อย่าห้ามห้ามทะเลาะ ก, กันนะแนะนําอย่างเดียวคุยกันอะไรก็โต้เถียงกันว่างมันต้องโต้เถียงแบบที่ท่านนาบีโต้กับบรรดา อะไรคนศัตรูของอิสลามต้องนึกถึงรูปแบบของท่านนาบีไอทะเลาะการเรื่องดุลยานี่นบีไม่ทําดูแล้วนะข้อที่สองนบีไม่ทําเลยนะอัลอิคบะฮ์จองหองคือนั่งอยู่เนี่ยนทะ่าที่จองหองวางตัวเย่อยิงนบีไม่ทำํำเราก็ต้องทําตามนาบีจะเป็นนั่งที่ไหนก็ตามท่าของเราเนี่ยไม่สแสดงสึตการใด น, นะเย่อยิงจองหองอวดดีไม่เอา ข้อที่สมนะครับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นบีไม่สนใจเลยของที่ไม่มีประโยชน์นี่นบีไม่สนใจเลยเราเองก็ต้องทาตามนบีนี่แหละนะอ้าวขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแดนี่เรากําลังอยู่ในช่วงของการที่นบีมูซากับอะไรนะฮานบีฮารูนไปทํางานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแดทีนี้กําลัง กำลังโต้ตอบกับฟ า, ฟาโรฟิราูน์กลังโต้ตอบกับฟิรูนอัลลอ์สั่งสั่งคนที่ดีที่สุดก็คือนบีมูซากับฮารูนสั่งว่าไงนะฟักูลาสั่งสองเรื่องหนึ่งให้พูดจาน่มห่มอย่าด่าอย่าทะเลาะพูดดีๆพูดนิ่มๆ น, นะครับอายะที่เท่าไรนะายะที่ผ่านมาเนี่ย ฟักู ล, ละอัลลอฮฺข่าวละลายญนลอลยาตดะวยักชอายติซีเนี่ยสั่งคนที่ดีที่สุดไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกเนี่ยสั่งว่าไงนะให้พูดจะนิ่มนวลอ่ายเหตุผลนิ่มนวลแต่นี้เราเอามาใชา้ใช้ได้ถูกั้ยเวลาคุยกับลูก พ่อมีคนโทรศัพท์าพมาเล่าจานลูกฉันดื้อแล้วเกินจานทำไงอ่ะช่วยหน่อยเ้าไปอานอาญ า, า, า, านี่นึกพูดจาร์ดีดีแม่เนี่ยพ่อเนี่ยพูดจาร์กับลูกดีดีเอาเคยขอดุอาให้ลูกไหมพอถามตรง น, นี้ไม่เคยเอา่าเกิดอัลลอฮ์สอนนบีมูซาให้ขอดุอาใช่ไหมก่อนที่จะไปสอนฟาโรา นี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเราก็เอาต้องขอดูอาก อ, อยาเอารอจันจะคุยกับลูกของฉันลูกมันสูบบุรีลูกมันห น, นีโรงเรียนลูกมันไม่เข้าบ้านต้องมองว่าเราทําตัวผิดหรือเปล่ามันต้องนึกเยอะนะ่ะเสจแล้วต้องขอดูอาอต่อร อ, ลอแล้วก็พูดจาดีๆกับลูกนี่นะได้จากคุณอา่านนี่แหละฉะนั้นอย่าเอาดูคุณอ่านเนี่ยไปแปะคนอื่นเอาคุณอานมาแปะตัวเราโอ้เราทําตามที่อลัลลอฮ์สอนกับนบีมูซารึเปล่า การบีปัญหาแก้ปัญหาต้องแก้ยังไงนะครับเอาวันนี้มาเจออาย่ไหนนะ48อินนากดอูฮียะอีไลานาโอ้ดีมากนะครับอา้าวแปลว่าอะไรอินนากดอูฮียะอีไลานาแท้จริงโดยแน่นอนยิง่งอินนาแปลว่าแท้จริงก็แปลว่า แน่นอนยิ่งอูฮียีไลนาได้มีวาฮีแก่เรานะครับก็จะอูฮียีไลนานี่ใครพูดเนี่ยพี่น้องนบี ม, มูซาพูดใช่ไหมอินนาก็จะอูฮียีไลนาโดยแน่นอนยิ่งได้มีวาฮีแก่เราว่าอันละลาบะ แท้จริงการลงโทษการลงโทษของอัลลอ์เนี่ยมันมีทั้งเบาแล้วก็มีทั้งหนักมีทั้งมนโลกดุนยาและมีในโลกอาคิรอดด้วยและยังไม่พอนะเขาว่าอาคิรอดเนี่ยรวมไปถึงอันนั้นะอลามเนี่ยอลามบรรซั c ตั้งนอนอยู่ในกูโบ่นั่นก็อยู่ในอาซาบของการของโลกอาคิรอดแล้วอุลามาอธิบายอย่างนี้ ใครก็ตามทำผิดเวลาอาลัลลอฮฺอยู่บนดุญยานี่อลัลลอลงโทษเรียกว่าทดสอบไม่เรียกว่าลงโทษนะเรียกว่าทดสอบการทดสอบบางคนทำให้บาปของเขานั่นหมดไปลงโทษบนดุญยานี่ทำให้บาปของเขาหมดบางคนถูกลงโทษบนดุญยาหรือถูกทดสอบบนดุญยาบาปไม่หมดไปถูกลงโทษต่อที่สุสาน บางคนหมดที่สุสานฟื้นขึ้นมาจบแล้วโทษไม่มีแล้วแต่บางคนเนี่ยนอนบนโลงในที่สุสานโทษก็ยังไม่หมดแสดงว่าสะสมไว้เยอะมากอะ่ะฟื้นขึ้นมาไปยืนอยู่ในทุ่งมาชาตถูกลงโทษที่ทุ่งมาชาตอีกอยกตัวอย่างเนี่ยเป็นศัตรูกับโเรา์มุสลิมนี่แหละไม่เคยมาโเรา์เลยมาเกรีฟไม่เคยมา อิชาไม่เคยมาซูโบไม่เคยมาถามว่าเดินในทุกมาชัดน่ะมีรัศมีมไหมไม่มีนั่นคือการลงโทษใช่ไหมล่ะเป็นอย่างครับถ้าถูกลงโทษที่ทุกมาชัดถ้ามันจบที่ทุกมาชัดอลัลลอฮ์ก็ส่งเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์เลยแต่ถ้าว่าเดินในทุกมาชัดโทษก็ไม่หมดอลัลลอฮ์ละทาไงครับต้องไปอยู่ในนรกอีกนะอลัอลลอฮ์อักบะฮอยู่กี่วันอ่ะ อยู่จนกว่าโทษจะหมดถึงจะออกฉะนั้นอินน่าลาอาบบิ น, นาบีมูซาพูดนะแท้จริงการลงโทษนะครับจะมีกับคนแบบไหนอลามันกรราซารรบะวตะวัลลากาซาบผู้ที่พูดว่าของที่เอาล็อค ป, ประทานประทานให้มาเนะี่ยเรื่องไม่จริง อ่าแค่ต้องกจะเล่าแค่นี้เองอเรื่องน้ำมาที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนบีมุฮามัดมาไม่จริงระมอดอนให้ไม่จริงกุรานอัลลอฮ์ให้มาฉันไม่เชื่อประคุรานมาจากอัลาอาลอฮ์อ่าอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมุฮามัดมาก็ไม่เชื่อสุนนะนบีเนี่ยต้องการจะเตือนพวกเราว่าสุนนะนบีเนี่ยมันสิ่งที่สําคัญที่สุดเชื่อนบีมุฮามัดเชื่อกุราน แต่ถ้าหากไม่เอาสุนัขนบีมากำกับชีวิตเนี่ยนะคนนั้นไม่มีบรารักัดกับชีวิตเลยอ้าวอินนาลาจบะแท้จริงการลงโทษนั้นจะมีขึ้นกับคนประเภทไหนครับอาลามันกัลจาบาคนที่พูดว่าอัล ก, รกุรอานก็ดีสุนาัาก็ดีนะครับหรือว่าองค์การต่างๆของอลัลลอ์นั้นเป็นเรื่องไม่จริงกัลจาบปฏิเสธเลย ว่าตะวันตะวัลลนลาแปว่าหันหลังให้คนที่หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับกุรานหันหลังให้กับซุนนะท่านนาบีหันหลังให้กับของที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดที่ผ่านนาบีมุฮัมมัดคนเหล่านั้นจะถูกลงโทษแน่นอนเนี่ย พ, พออ่านคุรานแล้วเข้าใจใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮัว่าเนี่เอาไปพูดกับใครนะเอาไปพูดกับฟาโรา มาทีนี้ถามว่าฟาโร่เนี่ยเป็นคนยังไงฟาโร่เนี่ยเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่คนธรรมดานะและเป็นกษัตริย์แล้วยังไม่พออีกประกาศตัวเองว่าอานาลอบบูคุมฉันเป็นพระผู้อภิบาลของท่านฉันเป็นพระเจ้าของท่านลกโหดร้ายโหดร้ายไหมโหดร้ายทรมานใครทรมานพวกบุนีอิสร อ, อีนอ่าวันนี้บุนีอิสร อ, อิน นน่ะถูกปลดปลอยอยู่น บ, บิบิซานะแต่วันนี้บริเตอรเอีกกำลังเล่นงานมุสลิมอยู่แต่มันก็ข้อผิดภาคของมุสลิมเรานั่นก็มีเยอะเหมือนกันนะาม อ, มองมองดูนะมุสลิมเราเนี่ยทำตัวเลวแลกจริงๆนะไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์นผมนึกเองนะถ้ามุสลิมทั้งโลกนารวมตัวกันทำงานาศาสนาอย่างเดียวนะฉันจะเนี่ย เอาล่อให้ริสกีเต็มไปหมดเลยน้ำมันก็มีทองก็มีไปให้สัมปทานเนี่ยคนต่างชาติหมดเลยให้กับยิวนี่แหละแต่ตัวเองก็ทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยรามองดูนะภาพรวมของเรามุลิมเนี่ยไม่ได้รักกันแล้วก็ไม่จะไม่จะเข้าใจอิสลามร0อยซนตน่าจะโสม อ, อ, อกอิสลามให้เชาลวลูกก็เห็นมุสลิมมาแล้วโอ้โหนี่อัคราสดีนิสัยดีพูดจาดีตรงต่อเวลาใช่ไหม ทำไมไม่ทําส่วนนี้ให้มันตีประจักษ์กับชาวโลกอ่ะใช่ไหมเอานี่ก็นี่ที่เป็นความคิดนะมันอาจจะผิดถูกวันรอวัอะลมแต่ว่าเรามองดูนะถ้าเอาอัคลาของนบีมาใช้เอาอัคราของซอามาห์มาใช้เพราะเขาทําอะไรถึงรอดได้พอใจคนเหล่านั้นเพราะคนเรานี่ย น, นึกถึงศาสนานําหน้านะไม่ได้คิดถึงวัตถุนําหน้าไม่ได้คิดถึงบ่อน้ามันะนําหน้านะไม่ได้คิดถึงทรอง น, นะจะคิดถึงไง ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ให้เข้าใจอิสลามจะทำยังไงนะครับถ้าคิดตรงนี้นะเราทำอยู่แล้วนะเอาต่อมาครับในาทัฟฟิดอธิบายบอกว่าเครื่องประดับของคนดีอ่าที่ท่ต้องการจะเล่าว่าคนที่หันหลังให้กษัตรนาเป็นคนเลวน่ะแต่อลัลลอ์ก็ทดสอบเล็กๆใ น, น้อยไม่ทดสอบเยอะเพราะการทดสอบจะถูกลงโทษก็เสือ่อมยายก็หลังจาก ตายไปแล้วก็มีแต่การทดสอบของอัลลอ์เนี่ยอย่างที่อย่างอาซาบมาการทรมานมาน้ำท่วมดินิ่านมาใช่ไหมใช่แผ่นดินไหวใช่ไหมใช่ฝนตกอัลลอ์ตัวทำน้ำท่วมบ้านพังนี่ใช่ทั้งหมดนี่เป็นการทดสอบจากอัลลอ์ Allah ถามว่ามีให้เกิดขึ้นเพื่อให้คนนั้นสำนึกตัวหรืออีกประเทศหนึ่งที่กำลังทำชั่วอยู่ ยังไม่เลิกถูกทรมานที่ฟิลิปปินส์คนไทยต้องนึกเอ๊ะถ้าฉันทำความผิดแบบคนฟิลิปปินส์ฉันก็ต้องถูกแบบนี้แหละเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองการการลงโทษของอลัลลอ บ, บนดุญยานึงฟา่าตายจำได้มเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยตายทีทังสามคนน่ะปรากฏว่าใส่อะไรนะใส่เนี่ย ใส่อะไรก็ทีมุน อ, อยู่ที่มือที่คอเนี่ยเป็นสายลอดฟ้าทั้งหมดนะ่ะถามว่าใส่ทำไมเดินตามใครนบีก็มันจะใส่ซอบา้นานนบีก็มันจะใส่อย่างนี้เป็นต้นนะ่ะฉะนั้นการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ให้เห็นทีน้อยๆน้อยๆเพื่อจะให้คนที่ทำชั่วจะได้สำนึกตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอัทีนี้เครื่องประดับของคนดีนะอายาที่ผ่านมาแล้วเนี่ย อัลลอฮ์สั่งนบีมูซาอย่างนี้มูซาเอ๋ยเครื่องประดับของคนดีไม่เหมือนเครื่องประดับของคนเลวนะเครื่องประดับของคนเลวของคนดีเป็นอย่างนี้เราต้องเก็บเครื่องประดับในี่ใส่ตัวเราไว้หนึ่งหัวใจนี่ขูชัวหัวใจนี่นอบน้อมนี่เป็นเครื่องประดับอยู่ในตัวเราเลยนอบน้อมทอมตนตลอดเวลาข้อที่สองมีหัวใจสงบอัศกี้นะ นะครับหัวใจสงบข้อที่สองนอบน้อมทอมตัวข้อที่สามสีมาหุมฟีวูยูฮิฮิมมินอัสิสสูดูดที่ใบหน้าของเขามีรอยสูดูดแต่ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่จุดดำตรงนี้นะนั่นไม่ใช่คนะือคนที่อาบน้ำนำ้ำลายคนที่สูดูดนะอลัลลอ์จะให้รอยมีอยู่แล้วมองปั๊บในรู้ใบหน้าอะไรมีแั่สมีเพราะอิมเอิมนะ่ะ ด้วย ก, การทํำอิบาดต้าต่ตออัลลอฮฺสุฮาห์นะฮุบะตาลานี่เป็นลักษณะเครื่องประดับของคนมุตตะกีนเครื่องประดับของคนกาเฟตคืน้องก็เห็นอยู่ไงเรื่องครูช่วไม่มีเรื่องนอบน้อมถ่อมตนไม่มี ม, ม, มีจ่ตะกับบ่มูดวางท่า้าท่าใช่ไหมนัม่นเครื่องประดับของคนเลวเครื่องประดับของคนดีนี่อลัลลอฮฺสอนผ่านนบีมูซาหนึ่งหัวใจสงบสองท่าทางครูช่วนอบน้อมถ่อมตน ข้อที่สบนใบหน้าของเขามีรัศมีพ่อร้อยสุยูต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ลุะต์ะะะะะะะะะะะะะะะะัะะะะะะะะะะะะะะะตะอะายะ 49, ะะะะะะะะะะระะะะะะะะะะะะาะะะะะกะะะะะะะัสสนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ قال فَمَرْبُكُمَا يَمُوسَ قال ف َ م َ ر ب ُ ك ُ م َ ا يَمُوسَ าา อ, าาาอายะานี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้คือมูซาเนี่ยนะไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีนะคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่สุดไม่เชื่อว่าผู้สร้างโลกนี่มีฟาโรห์ไม่เชื่อแบบนี้เลย เชื่ออีกอย่างหนึง่งเชื่อว่าเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้านี่เป็นความเชื่อที่อภิีดาที่ผิดที่สุดเป็นความเชื่อที่ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกนะพอคุยกับมูซามูซาไปเสนอนู่นเสนอนี่บางทีมันก็ตันปัญญาเหมือนกันตอบไม่ได้ฟาโร่อตอบไม่ได้มันก็ถามต่อไปอีกเนี่ยคือเบียงเขาเรียกว่าเบียงเบียงประเด็น ทางน้นบงทงนี้ว่างท้งนี้วางนี่วิธีการคุยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอ่ะฟาโร่มันเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นยังไงถามวางว่าไงอฟงฟาร์มารบบุกุมายามูซาพระผู้อภิบาลของคุณทั้งสองน่ะเป็นใครโอ้มูซาเออตอนการอยากจะรู้ว่าอัลลอ์ของคุณพระเจ้าของคุณทั้งสองน่ะคือใครอืมในอายะอื่นอธิบายยางงี้ ใครเป็นพระผู้อภิบาลคือลักษณะหรือความลักษณะของพระเจ้าของคุณพระเจ้าของผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกน่ะหน้าตาเป็นยังไงต้องการจะถามมูซามูซาตอบดีมากนะตอบว่าไงนะก็ลรับบุนัลละดีอัลกุลละชอินอลักกหุสุมมหดา ขอล ร, รับบุนันละดีอาตาคุณละชัยอินอคอละก็หูสุมมหดามุษาคตอบว่ามุษากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราคืออัลละดีอาตาคือผู้ทรงประทานนะครับประทานมิแต่ให้ พระเจ้าของเราเนี่ยมีแ ต, อตอ่อาต่ออ่าต่อไปประทานให้ประทานให้ประทานให้ประทานให้กุลชัยอิน ท, ทุกทุกสิ่งอ๋อเห็นยังนี่เป็นความรู้แล้วไม่มีอะไรมาจากตัวเราเลยสักนิดหนึ่งอาสังเกตตัวเราเนี่ยเอาลอให้มาหมดใช่ไหมแลก็เราเคยสร้างเองมีไหมล่ะตรงไหนบ้างที่ทำเองนะมีไหมไม่มีเลยสักนิดหนึ่งเนี่ย พอรนึกตรงนี้นอิหมานมันเพิ่มาเอาเอาง่ายๆเนี่ยคิวเคยนับมามีอยู่เท่าไหร่นับกว่าไมถวนด้วยก็รอว่าก็นี่ไงนบีมูซาตอบนี่ยนี่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอ์นะอ่ากอลรอบบุนอัลลอีอาตากุลละชัยอินมูซาตอบว่าพระผู้อภิบาลของเราก็คือ ผู้ทรงให้ผู้ทรงประทานแก่ได้นะแก่ทุกทุกสิ่งเลยให้ทุกสิ่งแล้วก็ให้ทุกคนเหมือนกันหมดค อ, อลากอหูอัลลอ์สร้างมายังไม่พออีกนะซุมมาฮาดาแ ล, ล้วอัลลอ์ก็ชี้ทางนำให้ด้วย อ, อุลมัอธิบายอย่างนี้คำว่าอลัลลอ์สร้างมาแ ล, ล้วอัลลอ์ชี้ทางนำอย่างมนุษย์ อ่าอัลลอฮฺ เ, เมตามนุษย์นะสร้างมนุษย์มาแล้วอลัลลอฮฺให้นบีมาสอนต่ออีกมาดูลูกไก่ลูกวัวที่มันคลอดออกมาใหม่ๆนี่นะใครสอนมันให้ดูดนมอย่างงี้อย่างเงี้ยใครสอนไม่มีคนสอนแล้วสอนไม่ได้ด้วยอ่ะอย่างลูกเราอย่างเงี้ยตอนลเล็กๆออกมาเนี่ยลูกแพะลูกวัวเหมือนกันหมดลูกควายก็เหมือนกัน กินนมดูดนมเนี่ใครสอนนี่ไงฮะาดานี่อัลลอฮฺสอนทางนําให้ให้ดูดนมอย่างงี้นะอย่างางี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่มาจากอัลลอฮฺทั้งหมดโอ้โหนี่อิมัลเพิ่มไหมอุลฮัมดุลิลละวะตุบะเพราะฉะนั้นนบีมูซาเนี่ยพูดกับฟาโร่โเนี่ยพูดให้คิดนะพูดให้คิดอัลลอฮฺอักบะดเป็นคําพูดที่ดีมากเลยนะ คือเป็นงนี้อัลลอฮ์สร้างแมวก็แมวแมวแบบนี้สร้างคนก็แบบนี้สร้างแพะก็แบบนี้สร้างแกะก็แบบนี้รูปร่างไม่เหมือนกันแต่และชนิดชนิดชน ช, ช, ชนิดสร้างมาไม่เหมือนกันรวมไปถึงตัวผึ้งก็เหมือนกันอัลลอฮ์พูดในคัมภีร์อานว่าฉันนี่สร้างผึ้งมาแล้วฉันก็สั่งผึ้งให้ทํารังในที่สามที่โดยการหนึ่งทำที่บ้าน สามสองทำที่อะไรที่กิ่งไม้แล้วก็สามทำที่อะไรที่โพรงจิต เ, เป็นโพรงโพงเนี่ยนะก็พึ่งมันก็ทำกันมาหน้าที่มันก็สามเสียสามสี่แหง น, งนี้นเท่านั้นน่ะไม่เคยเธอระยศต่ออัลลอฮฺสุบ า, า, น, านูอฺอะไรเลยนี่แต่หากเราชายปัญญาเราก็ต้องนึกนี่อัลลอฮฺให้เราลมาดถ้าเวลานี้ได้ไปสองเนีงยแล้วอิสานไปไห น, น, นต้องนึกะ่ะ หลายคนลูกขึ้นนมาตรทหารยุดโทรศัพท์ผ่านนะ็วางอนี่ท่านตื่นมาตอนตีสามคึ่งไปฉี่แล้วกลับมานอนต่อแล้วคุณตื่นนมาตรทหัรยุดได้ยังไงฉันนึกตรงนี้ถ้าฉันนอนอยู่ในกูโบคนเดียวถูกลงโทษใครช่วยฉันนี่บางคนคิดแบบนี้นะก็เลยมีแรงขึ้นอะไปนมาดดีกว่าไม่ต้องนอนคนเดียวอยู่ในกูโบใครช่วยได้ตอนตอนถูกอรรนเล่นงาน ตอนร้อนลงโทษไม่ได้ไปไปไไปจะขึ้นปนามาเนี่ยพี่น้องคิดอะไรก็ตามคิดเข้าตัวเองคิดแล้วก็สามารถตื่นมาทำอิบาัตดาได้นั่นเป็นการคิดที่มีผลกำไรที่ดีที่สุดมีคนโทรสา์มาเล่าเรื่องอย่างนี้เยอะพี่น้องทําไหมนะเพราะว่าพอฟังศาสนาแล้วมันอยากจะคิดอยากจะปฏิบัติของดีมาตอนที่ทีวีปิดไปเดือนนึงอะนะเขาันหันไปดูละครแล้ว นี่จะทำไงอ่าทีวีเปิดแล้วัมดูลิลลาเดี๋ยวนี้ทิ้งละครละหลันมาดูศาสนาเขาก็เล่าตรงๆไอ้เราก็สบายใจว่าเราเนี่ยเป็นห่วงคนเขาก็เป็นห่วงตัวเองนะครับอัานดูลิลลาเอาสรุปว่าอลัลลอ์นี่นบีมูซาตอบว่าไงนะกอลเราบบูนัลลดีพระผู้อภิบาลของเราก็คือ อ, ล อ, อาาัลลดีอัตอกุลละชัยอินอัลลอ์ประทานให้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่พออีกขอก้อละกอหูอัลลอฮ์สร้างเขามาแล้วซุ่มมหาดาและอัลลอฮ์ก็ชี้ทางนาให้อยู่บนดุนยานี่อยู่ยังไงอัลลอฮ์ชี้ทางนํำไปหมดเลยครับแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพก็อัลลอฮ์าถามฟาโรห์ถามอีกนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนไปนเด็นไปเรื่อยๆนะทีละเรื่องละเรื่องเรื่องสุดท้ายถามว่าไงนะ قال فما بدل القرون الأولى فما بدل فما بدل القرون الأولى แปลว่าไงพี่น้องฟฟรอนกล่าวว่าแล้วสภาพของคนรุ่นก่อน คนรุ่นก่อนๆที่มาก่อนหนะ้าพวกเราเราตายไปแล้วเนี่ยเป็นเช่นใดเขาอยู่กันยังไงคนรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาเป็นยังไง่ที่ตายไปแล้วแต่แต่นบีอาดามเรื่อยมาถึงนบีนี่น่ยนบีมูซานี่เขาอยู่กันยังไง นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยดูนมมซาตอบอยังไงทัมดยอิสลนมีมูซาตอบดีมากนะครับตอบแบบนี้ทำให้ฟาโรงงงเหมือนกันนะครับตอบว่าไงนะกอลัลมูฮาินดรอบบีโอตอบดีมากครับมูซากล่าวว่าอิมูฮาความรู้ในเรื่องนั้น เรื่องคนที่มาก่อนหน้าเราเป็นยังไงนั้นอินดารอบีอยู่ที่ใครครับอยู่ในบันทึกของพระผู้อาิบาลของฉันเรื่องจริงๆนะนะครับอยู่อยู่อัลลอฮ์รู้อยู่องค์เดียวอยู่ในบันทึกนี่แสดงว่าความรู้ของอัลลอฮ์นั้นมีการบันทึกที่บันทึกเนี่ยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์นะเพื่อใคร เพื่อเราเองในวันเกียรมาเนี่ยเถียงไม่ได้อ้าสมุดบัญชีคุณเอาไปอ่านโอ้โหมีทุกขั้นตอนเลยตอนเข้าห้องน้ำก็มีตอนไปรักของเขาก็มีมีหมดเนี่ยรายละเอียดทุกชนิดอยู่ในบันทึกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อลัอลล์เก็บไปหมดเลยพี่น้องและยังไม่พอนะ ฟีกีตาบินคำว่ากีตาบเนี่ยหมายถึง อ, อยู่ในสมุดบันทึกอยู่ในลาลมาฟูถูกบันทึกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้คนรุ่นก่อนเป็นอย่างไรนะครับที่ไม่ได้เคารพพักดีอัลลอฮ์องเดียวนี่ ท, ที่ที่ฟาโร์ถามเนี่ยคนที่ไม่เชื่อ อ, อัลลอ์เนี่ยแบบแบบฉันเนี่ยนะ เขาไปอยู่ที่ไหนเขาเป็นยังไงถูกลงโทษหรือเปล่าแต่นบีมูซ่าไม่ตอบอย่างนั้นตอบว่าไงนะความรู้เรื่องคนไม่เอาศาสนานั่นอยู่ที่อัลลอฮสุบฮานาหูอานาลาไม่พูดว่าอยู่ในนรกหรือว่าถูกลงโทษถ้าถูกลงโทษฟาโรห์มึงจะพูดว่าเมื่อาคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาศาสนาฉันก็ไม่เอาศาสนาเหมือนกันแต่อัลลอฮฺไม่ให้นบีมูซาตอบแบบนี้ตอบว่าไงนะ ความรู้เรื่องเขาจะอยู่ในนรกหรือนอกนรกอยู่ในสวรรค์ยังไงก็ตามความรู้เหล่านี้อยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะนาลแล้วก็ถูกบันทึกเก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่คำตอบนี่ทำให้มุมให้ใหฟาโรห์งงกูจะตอบอยังไงวะเนี่ยอย่าลืมนะพูดกันนี่นะต่อนหน้าต่อตาเ น, นี่ยบว่าทัศน์สินต้องเจ่งสมองต้องเทียบขาดเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกอะฮะ ใ ช, ใช่ต้องปลอดภัยจากการถูกเล่นงานด้วยโอ้โหเนี่ยเรื่องอย่างนี้ต้องนึกภาพนะต้องนึกภาพเราถูกจับไปอย่างเงี้ยล้วก็ถามอย่างเงี้ยจะตอบอยังไปงปกป้องอลลงลงัลลอฮ์ปกป้องศาสนาปกป้อ ง, งตัวเองด้วยอัลลอฮ์อัลบนี่อัลลอ์เล่า ว, ว่ามูซานี่เก่งมากๆเลยในการตดสอบในการเจรจากับคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอออลาอิลฮามูหาเนเลรอบบีฟีกิทลับ่อมาอีกครับ ละยดิลลุรับบีวะลายันซาตรงนี้ดีมากครับพระเจ้าของฉันเนี่ยคือพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นไงละยดิลลุอัลลอฮ์ไม่อะไรนะไม่หลงอ่านี่ต้องการจะสอนเรื่องอักีด้าด้วยพระเจ้าของฉันนี่นะละยดิลลุไม่หลงแล้วก็วะลายันซาแล้วก็ไม่ลืมด้วยไม่หลงและไม่ลืม ทีฟ้าอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามนะแล้วก็ที่มาพูดตรงนี้แค่สองนะอัลลอฮ์ไม่หลงและอัลลอฮ์ไม่ลืมแสดงสว่าจําทุกเรื่องเลยเรื่องที่ใครเรื่องผิดๆที่เขาทำไว้จะเรื่องดีเนี่ยอัลลอฮ์จำหมดเลยแล้วก็ไม่หลงตรงกันข้ามกับมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีอะไรนะมีหลงแล้วก็มีลืมอ้าวถ้ามนุษย์ไม่ลืมน่ะดีหรือไม่ดี เรื่องไม่ดีไม่ดีจำหมดเลยนะ่บ้านเครียดไอ้เรื่องที่คุณนุ่นดาคนนี้ด่ากนนี้แก้กุนี้จำอยู่ในสมองตลอดเวลาเนี่ยเครียดไหมเครียดอัลลอ์ขอบคุณอัลลอ์นะที่อัลลอ์ให้เราหลงแล้วก็ลืมในเรื่องที่ไมก้าท่าก้าท่าเนี่ยทำมาจะอัลลอ์ไม่ลืมเลยลายดิลลอร บ, บีวาลายันซาทานจุลา อยู่น้องจอคืออะไรนี่อาจ้าสวัสดิ์เข้ามาเนี่ยมาดีา่ของค้เนี่ยมามางานมนาะเปิดป้ายมาเปิดเปิดงานต่างให้ดูอาผมบอกวันนี้ย่อเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนฉันขอทูอาบทนี้สมองจะไม่จะไม่เปโรคอัลไซเมอร์ให้ว่าโดนนี้นะยายาดิลลูรับบีเวลายา อัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่หลงอัลลอฮ์ไม่ลืมคนที่พูดอย่างนี้นะปันรายสองร้อยสามร้อยก็พูดไปลาอฺดิลลุร บ, บีเวลายาันซาลาอฺดิลลุร บ, บีเวลายาัซารู้ไหมที่อัลลอฮ์ให้ก็คือตัวคนที่พูดชมอัลลอฮ์เรื่องนี้จะไม่หลงจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์อัลฮัมดุลิลละนี่เป็นอ่าสมองจุลาเก่นอ่ออัลลอฮ์ให้นะ เขาบอกอานอุอาบทนี้เยอะอจะาจารย์คณะเรียนต้องการจะให้สมองดีจะอ่านตัวนี้ลายอดินโลร็อบบีวัลายันซาแปลว่าอะไรพระผู้อวยพรของของเราของฉันเนี่ยไม่หลงและไม่ลืมส่วนเรานั่นมีทั้งหลงและมีทั้งลืมเราเว้นตาเนี่ยอยู่บนหัวนี่ผมเคยแล้วอบนตาหายไปอ่านหนังสือไม่ได้ไปยืนจะกระโดดออยู่ข้างบนนี่อ่ะ กระเป๋าตังหายอัลลอฮ์แววนตาหายลืมถามว่า ด, ดีไหยดีทีนี้พอลืมที่ก็ น, นึกพอได้เจออัลฮัมดุลิลลาห์พอหายก็อัุสบิลลานทใอ น, นให้นึกถึงอัลลอมีปัญหาอะไรเห็นนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูาเลนะเป็นข้อคิดทั้งหมดนะอาต่อมาอายาที่เท่าไรย่าที่ห2 5สบสองบสพระเจ้าของเราทำอะไรบ้าง الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا พระองค์ค ja um ah ja um ah ือ um, ผู้ได um ้ทรงทำให้แผ่นดินนี้อัลฮัมดุลิลละนี่ตองแผ่นดินเนี่ยใครดูแลอัลลอฮ์ดูแลทำอะไรครับมหดาแปลว่าราบเรียบหรือว่าเป็นอูราบเรียบแล้วก็ เป็นที่อยู่อาศัยเดินทันจรไปไหนสะดวกสบายอัลฮัมยูริละให้แผ่นดินราบเรียบนะเป็นที่นอนเป็นที่พักคอนใช่ไหมอัลฮัมยูริละแผ่นดินอัลลอฮ์ให้มาอาตอมาอีกยังไม่พอวาซาละวาซาลละกาละกุกมฟีฮะซูบุลละ ซาละกาละกุมฟีฮาซูบูลาพระองค์ได้ทรงทำให้มีหนทางมีทางมีทางเดินนะครับสำหรับพวกท่านสัญจรเดินทางอัลลอฮฺอักบาร์เนี่ยที่เราไปไหนมาไหนสะดวกทั้งทางอากาศและทางบกด้วยนะมีหมดเลยเราให้หมดเลยเอาสายการบิ น, นใช่ไหมวกิ่ออกเออกเดินทางได้ไหมได้ ไม่ด้ได้ที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องทางกําหนดเอาไว้อามัดรูใช่ไหมเนี่ยเรือก็เหมือนกันไปเส้นทางนี้ทางบกก็เหมือนกันบินถนนจะต้องติดต่อกันหมดอย่างอาเซียนี่จะมาแล้วสร้างรถไฟสร้างรถยนต์ใช่ไหมคำว่าความคิดอันนี้นะคิดเองหรือไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งคนนี้มาส่งคนนี้มาทําถนนเอาไว้เดินทางสัญจรไปไหนมาไหนพบปะกันอะไรกัน ให้ความสะดวกกับมนุษย์มนุษย์ต้องคิดอนะัลฮัมดุลิลลาคิดแล้วมีอม م านมา إ ي มานเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอต่อมาครับเมื่อให้ให้มีหนทางสำหรับท่านสัญจรเดินทางยังไม่พออีกครับวะอันจานามินัสมาอิมาและได้ทรงประทานหรือว่าหลังน้ำลงมาจากฟากฟ้า ใช่ไมแสดงว่นนาน้ำเนี่ยไม่ตกงเองใช่ใช่ไม่ใช่อร้อยฝนตกมาตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานหูวะนาแหละนั่นอย่างนี้อะไพยากรณ์อากาศก็เหมือนกันอัลลอฮ์จัดทั้งหมดให้จตนี้ถ้าหากว่าตกตกอย่างนี้เขาเรียกว่าตกเพื่อเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อประโยชน์แต่ถ้าตกแรงกว่านี้เป็นอาดาบเป็นการทรมารเป็นการลงโทษแล้ว ลมพายุถ้าถ้าลมแบบนี้มาเป็นออกซิเจนอย่างดีจะไม่สบายถ้าแรงกว่านี้เป็นอะไรเป็นอาัาเองน่ะผิดแล้วทำอะไรผิดรู้ตัวยังแ่นดิ้นตอนนี้ยังยังไม่ไหวโอไปไหนมาไหนสะดวกถ้ามันไหวขึ้นมาอ่ารอเตือนเลยนะเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมีอะไรผิดหรือเปล่าต้นัมดูเื่องเองนาเหมือนกันถ้าขึ้นมาแค่นี้ไม่มีปัญหา ถ้าสูงกว่านี้น้ำท่วมนึกถึงใครนาบีนวัวอะไรอยู่สระโอ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่าวะต้องนึกต้องนึกตลอดเวลาเลย <S <S นะครับต่อมาอีกครับฝ่าอัครรชนาบีฮิอัลวาจา ม, มินนาบาตินชัตตาอัลลอหุอักบัุลแน่กี่เรื่องแล้วเนี่ย1 2 3นี่ข้อที่4และเราได้ให้งอกเงย พอน้ามาฝนมาอัลลอฮ์ก็ให้อะไรนะพืชให้พืชเนี่ยงอกเงยขึ้นมาโดยน้าอย่าลืมนะน้าฝนกับน้ำปราปาเนี่ยกับน้าที่อยู่ในคลองเนี่ยต้นไม้งามไม่เหมือนกันพืชที่ถูกน้าฝนเนี่ยมันงามนะกับพืชที่ถูกน้าก๊อกดีไม่ดีอาจตายก็ได้มีอะไรนะ ขอรีนเยอะอัลลอฮฺให้คิดหมดเลยนะครับดูดิเลยอย่าลืมนะคนที่ปลูกต้นไม้อยู่หน้าบ้านนะ น, นะไปยืนคุยมันบ้างอัลลอฮฺว่าถามว่ารู้ไหมอย่าลืมนะนึกถึงนบีมุฮัมมัดมีอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยต้นไม้ขอนไม้นั่งอยู่ที่ตะวนันอยู่ในมัสยิดนี่แหละนบีอ่านคุตบะบนขอนไม้ประจำก็ต่อมาเนี่ยอัลลอฮฺ ทรงคนคนหนึ่งเนี่ยมาทมํามิมบัตให้ผู้หญิงนะคนที่ทํามินบัตเนี่ยที่เสียสตังนะผู้หญิงนะมาหานาีฉันจะทํามิมบัตให้นบีอามาเลยเพอได้มินบัตมาหม่นบีอ่านขุดบ้าบนมินบัตถอนไม้ที่ที่นบีเคยยืนนะรองให้สั้นอย่างนี้เลยคนในมัสยิดเห็นกันหมดเลยนบีก็เดินลงมาจากมิมบัตแล้วก็มา มาจับน่ะมากอดอย่าเสียใจเลยอย่าเสียใจเลยอย่าเสียใจเลยเห็อนอยังขอนมายัางร้องไห้เลยสอนอะไรตัปสิทธอธิบายอุลมะอธิบายว่าคนเนี่ยถ้าไม่ฟังศาสนาเลยใจมันจะกระด้างนี่ขนาดขอนมาเนี่ยมันยังร้องไห้เพราะนาบีไม่ได้ใช้งานมันนบีไม่ได้ยืนนบีไม่ได้พูดใช้งานมันเสียใจมันร้องไห้ แล้วคนที่มีฟังศาสนาเลยน่ยจะเลอะคนศาสน า, น า, นานคิดเยอะเหมือนได้ข้อคิดเยอะมากเลยฉะนั้นอย่าลืมว่าต้นไม้ไม่มีชีวิตชีวิตไม่มีแต่ความควา ม, ความรู้สึกมันมีฉะนั้งไปยืนไปยืนคุยกับต้นไม้บ้างอัชชาดวนเลยอิลละอิลลอฮ์อัชชาดวนนะฮัมมัดอัลอนนสุลอล้พวพอท่านชอบตัวต้นไม้ใช่ไม่มเอาน้ําให้เนี่ยไปยืนคุยกับมันบ้างอัลลอฮ์ภรรยาไม่คุยกันทั้งวันก็เงาอ่ะคุยกับคน อัลฮมลลลาอัลฮ์มลลลาตลงว่าอัลลอฮ์สร้างมานะฟะอัครอจนาบีอัจวาจันอัลลอฮ์สร้างให้งอกเงยออกมาโดยน้ำอัจวาจันเนี่ยเป็นคู่คู่อ่าสังเกตนะสรรพสิ่งทั้งหมดนี่มีคู่หมดเลยใบไม้ก็มีตัวเมียแต่ตัวผู้เราไม่รู้บางคนกิน กินใบไม้หายโรคอะไรเยอะไปแต่บางคนกินแล้วไม่หายพอไปกินเพศตัวผู้เข้ากินไม่หายนี่เรื่องนี้มาต้องเรียนอีกแล้วอะ่ะกินใบไม้ต้องเพศตัวเมียดึงเพศเมียถึงกินแล้วหายจากเพศคู่กินไม่หายนะเอาตัวผู้ไปกินก็ไม่หายเหมือนกันท่านอีกกินใบไม้ก็ต้องนึกเพราะว่าเป็นเป็นยาทั้งหมดนั่นแหละมีนคนโทรสาหาผมเยอะกินใบค่อยดีดีไม่ดีมากเลยแต่ต้องรู้ว่าใบคอยตัวผู้แบบไหนตัวเมียแบบไหน กินแล้วทำให้โรกรุนโรนี้หายได้ทำตัวนี้เลยนี่ไงเขาสังเกตรู้เขามีเขามีเขามีมีวิธีสังเกตตัวผู้ตัวเมียไม่เหมือนกันนะครับรมละกรู้นะลรับเดี๋ัวนี้มินดาบาดินนาบานี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าพืชอ่าของที่งอกออกมาเป็นพืชทั้งตัวผู้แต่ตัวเมียมีคู่คู่หมดเลย ชัดตาแปลว่าหลากหลายชนิดแตกต่างกันไม่เหมือนกันนี่กลายเป็นวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ใช่อ่านี่แหละพี่น้องเห็นยังฉะนั้นถ้าจะเรียนเรื่องของอลัลลอ์เรียนเท่าไรก็ตามแต่ไม่หมดและอัลลอฮ์พูดใ น, นกบิลกุลอานว่าถ้าจะเอาน้ำในมหาสมุทรเจ็ดมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึก เรเอาต้นไม้ที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยเป็นปากานะบรรยายเรื่องของอัลลอ์เท่าไหรก็ไม่หมดน้ น, น, นสมัยสมุทแห้งแล้วก็ไม่หมดเนี่ยเห็นอย่างคราทำมดยเลื่องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาต่อมาครับอายาที่ห้าสิบสี่กุลูวะอันอัมาคุม อินนาฟิดาลิกาลายาติลิอุลินูฮะอัลฮัมดุลิลลอฮฺพี่น้องคูลุวะร้าอุอันอามะกุมอินนาฟิดาลิกาลายาติลิอุลินูฮะคุรุแปลว่าอะไรจงกินจงกินจงบริโภคของที่อัลลอฮฺให้มานั่นแหละ และยังไม่พออีกเราสอนต่อไปอีกว่าเราเอาไปเลี้ยงสัตว์อนอามะกุง้งสัตว์ของท่านเอาไปเลี้ยงสัตว์แสดงว่าประเทศอียิปต์ในวันนั้นเป็นประเทศอะไรนะอมีต้นไม้เยอะมีผ ล, ลไม้มีนูน่นมีนี่เห็นไหมอลัลลอฮฺให้ชายปัญญาเห็นอย่างตัวเองกินแล้วยังไม่พอเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้อีกเห็นไหมกูลู จงกินเองบริโภคเองใช่ไหมแล้วต่อมาครับวะดเอาอันอามาคุ้มแล้วก็จงนำเอาไปให้สัตว์ปสัสสตว์ของสูเจ้าได้กินด้วยอินนาฟีดาลิกะแท้จริงในนั้นน่ะในตัวสัตว์ก็ดีหรือว่าในพืชที่ท่านกินก็ดีเป็นยังไงครับละอายอมีอะไรนะ มีสัญญาณอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮมีสัญญาณเป็นโนเลจเป็นความรู้มาหายเวลยก็เอา้าสร้างมันขึ้นมาเรียนองอย่างนี้เลยเรียนเรืเร่องพืชบ้างใช่ไหม <laughs> เรียนวิจัยเรื่องต้นไม้บ้างอะไรบ้างวิจัยเรื่องสัตว์บ้างอะไรบ้างอาพูดที่ต้องสัตว์ในกุฎบานจะมาอีแล้วจะสัตว์จะมาแล้วเอาสัตว์มาทํากุฎบานกุฎบานแปลว่าอะไร ทำตัวกล้าชิดกับอรรถมีคนถามปัญหาเยอะจังก็ทันทำแล้วนะกู้บาลหมสิบปีที่แล้วนะแล้ว ก, วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็อากิโก็ยังทำครั้งเดียวเลยแล้วกู้บานกรทําเดียวโอ้โหต้องอธิบายกันนะ่ะอากิกะน่ะทำครั้งเดียวตอนวันที่เจ็ดส่วนกู้บานต้องทาทุกปีมีเงินมีทองมีิาษีทาไมไม่ทำบุญน่ ทำบุญที่เอาเราสัง่งอ่ะอ้อยางงั้นเลยหากุกรณมาอ่า น, นอีกอะไรบ้างอินนาอตอยนากลเก่าสัตว์ฟสอสลิลิรอม บ, บีกาวันฮัดอายาที่สองนี่แหละอธิบายว่าจงไปนามาอีแล้วก็จงเชื่อสัตว์อเรานี่ผูกพันกับอิสลามนะผูกพันกับศาสนาขนาดไหนวิธีเชื่อสัตว์ก็สอนใช่หรือไม่ใช่อ่ะ อ่านหัวไปทางไหนละอ่านยังไงว่ายังไงเชือดยังไงก่อนเชือดมีดต้องอะไรนะต้องคมแล้วสัตว์ตัวที่สองจะให้มันเห็นวเวลาเชือดสัตว์อีกตัวหนึ่งเนื้อมันไม่อร่อยเพราะว่าความเสียใจเศร้าใจมันคลายออกมาอยู่ในเนื้อก็อไปกินเนื้อเองเนี่ยนบี ส, ส, ส, ส, ส, สั่งสั่งสงสั่งยหมดเลยขอบคุณอัลลอฮฺสุภาอูบูอัลเลยอินนาฟิร์ลิกะละอายาแท้จริงในนั้นนะมีอะไรนะ มีสัญญาณสําหรับใครครับลิอูลินนุฮะสาหรับบวงพวกผู้มีปัญญานี่อลัลลอฮฺสอนเนีเราคิดใช่ไหมผู้มีปัญญามาสมรูปป้ไปเรียนวิชานี้แหละอา้าวได้ความรู้มาอ้ามัตับรลีต่อมาสอนต่อมาบอกให้อีหมานมันเพิ่มขึ้นทำดูลินเลยผู้มีปัญญาฉันั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยอลัลลอฮฺยกย่องนะ เขาบอกภาษาอุรูวังีอินสันโกบุรเรออดมูดิทกาโมเซโรกตีแคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะยัายั่งเรื่องชั่วเรื่องอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเอาอให้มีปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เราอ่านุูอ่านแล้วก็ทำนู่นทำนี้นี่นะคนมีปัญญานห่วงสังคมไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยคนมีปัญญา ดั้คนที่มีปัญญากับพวกเรานี่แหละพู้อ่านกุณอ่านอ่านสุนทรนบีอ่านฮะดิษแล้วก็ปฏิบัติตามสุนทรนบีไม่อยากเห็นเด็กติดยาสักคนหนึ่งไม่อยากเห็นคนเดินแล้วเมาไม่อยากเห็นผู้หญิงเดินเปือยกายมันทรมานใจตัวพวกเรานี่แหละใชนะ่ไหมน่ะไอ้คนที่มันเดินแก้ผ้าหรือมันผ้าในนอนมันเย็นแต่ไอเราคนดูเนี่ยร้อนใช่หรือไม่ใช่ อัลลอฮฺอักบาร์ฉะนั้นนบีพูดอย่างงี้เวลาเราเห็นคนคนหนึ่งพอ เ, เห็นเขาพับทําให้อิหมานเราเพิ่มคนนั้นเป็นคนดีน่ะเราเห็นเขาเดินมาเนี่ยอิหมานเราเพิ่มเลยอัลลอฮฺอักบาร์ท่าเดินของเขาเหมือนสุนัขนบีตาของเขาไม่มองของฮามเราเห็นเขาเดินมาทําให้อีหมานเราเพิ่มเห็นการแต่งกายของคนคนหนึ่งทําให้อิหมานเราเพิ่มทํำยังไงจีนอ เนี่ยเรื่องเรื่องดีตรงดันั้นภาษาอูดูผมชอบอ่านนะนะพูดว่าไงนะอินซานโกบูเรมูดิโกกามมเซโรตีแหะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะพยายามไม่ให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาบริเวณที่เขาอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายะสุดท้ายนะครับมินฮาคอรากนากุม ว่า فيها น่วยดุกุมว่ามินฮานุ่ริจุคุมตารตะอุครออรอเนี่ยอายานี้สอนดีมากเลยแปลว่าอะไรพี่น้องมินฮาจากแผ่นดินนี่แหละคอลักขณากุมเราได้บังเกิดสู่เจ้ามาทำไปนึกถึงใครน บ, บีอะไร นบีอาดัมอัลลอ์สร้างนบีอาดัมมาจากดินว่าฟีฮนันวยดูกุมและหน้าแผ่นดินนั่นะแหละเราให้สู่เจ้าเนี่ยคืนไปสู่ดินตอนไหนตอนตายเอานีรอดไหมล่ะไม่ยืนไม่รอดนีไม่รอดเลยไปน้องต้องเดินตามคุรานใช่ไหมใช่อาต่อมาครับ วามินฮานุคริยูกุมและจากแผ่นดินนี่แหละเราได้ให้สู่เจ้าฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรในวันในคุรานมาได้พูดน่ะนึกเองเนี่ยในวันอาคิโรเนี่ยอายาเดียวพูดสามเรื่องใช้เวลากี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีอาดามมาถึงเรากี่ปี อัลลอฮ์เล่าาอาดัมคนแรกนี่ไม่ได้พูดนะตับซิดอธิบายว่าคนแรกที่อลัลลอฮ์สร้างมานั้นจากดินพ่อมีไหมไม่มีแม่ไม่มีใครใหญ่อลัลลอฮ์ใหญ่อ้ากรูปการสร้างมีอยู่สแบบแบบที่สองสร้างฮาวามาจากอาดัมมีผู้มีผู้ชายมีพ่อแม่มีไหมไม่มีอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ฮาวามีพ่อ นี่อาจารยผู้ชายแม่มีไหมไม่มีแบบที่สามนบีไอซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อไข่ ใ, ใหญ่เอาคนไม่เรียนศาสนาคิดว่าพระเยซูใหญ่กราบนาบีพระเยซูอีกแล้วตามมาอีกเอาแบบที่สี่มีทั้งพ่อและมีทั้งแม่ใช่ไมใ่ใช่จับเราเนี่ยหรือวันนี่ยมีพ่อมีแม่อาดัมมีพ่อพระว่ามี ไอ้อาอดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ฮาวะมีพ่อไม่มีแม่ก็ออกจากสิโคงอาดัมนบีอีซาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อพวกเราผ่านทั้งพ่อทั้งแม่นี่เป็นความเมตตาของพระเจะานี่เตือนเรามนุษย์อย่าให้หลงอย่าให้ตะ ก, ก บ, บุดอย่าให้เย่อหยิงอะไรนะมินฮาคอลักนาคุมจากแผ่นดินนี้เราเดินประเกิดสู่เจ้าว่ามินว่ฟีฮาน่อยดุกุมและณะแผ่นดินนั้นเราก็จะให้สู่เจ้าเนี่ย คืนไปสู่แผ่นดินตอนตายวามินธานุคลียูกุมและจากแผ่นดินนี้แหละเราจะให้สู่เจ้าเนี่ยฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งตารรตันอุครอกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาครั้งนี้ไม่ตายแล้วนะอยู่ไปตลอดมีที่อยู่อยู่สองแหง่งไม่อยู่ในนรกก็อยู่ไหนสวรรค์ถ้าต้องการสวรรค์ก็ต้องทำตามอัลลอฮฺและเชื่อนบีม uh ุฮัมมัดสุลตัมอย่างอื่นไม่มี นี่คนกาแฟต่ออธิบายคนกาแฟฟังด้วยเพราะคนกาเฟไม่เชื่อ <c oughs> อ่อาเป็นน้องทั้งหลายครับนี่คืออายะอัลกรุรอานนี่อธิบายมันต้องอธิบายเยอะนะเพราะว่าเข้าใจง่ายเยดี๋ยวทำดูเลยแหละยานคนที่ท่องจํากุรอานและอิหมามอานเนี่ยอิหมานเพิ่มมันเพิ่ ม, มอ่ะเนาะอัลกุร จากนี้เป็นตัวจะนั้นพยายามอ่านกรูรอานที่เราที่เราอ่านมาแล้วนะท่องจำบ้างอะไรบ้างมีมรณาอยู่คนมรณาผมอ่ะอบับดุลฮาซานเสียชีวิตไปแล้วเริ่มท่องกรูรอานตอนอายุส0มสิบปีละยุผมก็ท่องได้นะพวกเรานะ่ะปีละยุตอนอายุส0มสิบาครบอายุห0สิบพอดีเลยว่สามสิบ เนี่ยถ no. no. you know. so the ้าเราท่องจุนอ่านนั้นะอัลลอฮ์ก็บกว่าเนี่ยมีจ็นี่มากคุณไปตายก่อนไส่ไปใ่จะโจกคนเอละเป็นตถึงไม่ท่องจำจูนอ่านเยอะก็อ่านจูนอ่านโซลสั้นๆบักร้อนนี่แหละอนี่โซลยุดอามาเนี่ยใช่หตั้งแต่อะไรเนี่ยเรื่อยมาถึงกุนฮุบลเนี่ยเนี่ยอ่านให้คล่องพี่น้องเราทำโดยล้วรก็รู้ความหมายอมาทำโดยละ إ ي มานเพิ่มจริงๆนะครับ س ب ح ا กะหลุมะบิฮามิกะชวะลาะอิลลัลอิลลอันตะ Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.